ได้สีนสมาธิปัญญาด้วยส่วนมนทานก็มีจากะความตันนี้แล้วแน่นออกจากจิตจากใจสำหรับทมวัดส่วนมนจะได้ทั้งสีลถือกายดีว่าจจดีสมาธิสวดไปสวดมาก็จิตก็จะรวมเป็นสมาธิ สวดไปสวดมาก็จะได้ปัญญาได้ปัญญาดับความโง่ความหลงได้ปัญญานะั่นปัญญาไม่ดับอภิชาดับความโง่ความหลงไดม้มีอยู่ในบทนั่นหมดในบทสวดนั่นหมดนั่นละยังเราขึ้นต้นสวดที่แรก่ พาหงเวมหงเวสารนังยันติปัปพัฒนานิวนานิจะาอาลามะลุขะ เ, เจนแตน่ญาณีมะนุษยาพยาตติตาเงี่ยได้ความรู้ขึ้นมาพระพุทธองค์ตัดคาทานี้เป็นเขมาเขมะ สลนะขมนะปะหิติปิ ก, กาคาถาคาถานี่ตัดเอาไว้ให้คนโง่คนหลงได้จำเอาไว้มุคคลเป็นส่วนมากมนุษย์ส่วนมากแปรทำแปรเมื่อไผมาคุกคามถึงตัวแล้ว ย่อมไปพึ่งภูเขาบ้างนะั่นป่าไม้บ้างนะพึ่งอาลามพึ่งล้างเจดีล้างไปกราบไปไหว้ปูตป่ตาเตาูปู่ตาหอพระภูมิศาลพระภูมิเจ้าตาเจ้าพ่อคนส่วนมากนะว่ามันจะ ไปหากราบหาไหว้เปดตไหว้ผีนั่นน ะ, ะคิดว่ามันจะค้นจากทุกได้มีไมหมละ่ะไปกราบอย่างนั้นนะ่ะคนโง่ไปกราบสารเจ้าไปกราบห่อพระภูมิไปกราบอาลามล้างสารเจ้าพ่ออ่า นั่นละเขาว่าเนตังโขสลณนะเฉบังนี่ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเนตังโขสลณนะมุตตมังไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเนตังสลณนะมาคามาสาพะทุกขาปะมุจจตินั่นื่อเขาไปกราบไปไหว้สิ่งเหล่านี้แล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกภัยทั้งปวงคนโง่ก็ไปหากราบไม่มีสารพระภูมิก็เอามาสร้างขึ้นมากับไม่มีตูปดต้าทีไล่ี่นานก็ไปสร้างขึ้นมาหากราบต้นไม้หากราบภูเขาคนปัญญาอ่อนนะคิดว่ามันจะ คนทุกได้ไม่พ้นทุกนี่มันเกิดปัญญาอย่างนี้การสวดพ้นะนทุก์ไม่ไดนะ้โยจะพุทธทัญจะทำมันจะสร้างขัญจะสระนังคโตจตาริอริยสัจจานิสมะตัญญาติทุขังสุขสมุิปาดัง ทุัสสะจะอติกรรมังอริยันจคขังคิดกังมะคังทุกคู่ปะสมะขามินางเนี่ยเมื่อบุคคลใดมากราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ไปกราปูต้าผีไล่พิณาสารพระภูมิมากราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นสาระที่เพื่องแลว้วมาเห็นอริยสัจ ส, สี่อริยันจะขังคิดกังมครังเห็นอริยสัจ ส, สี่ด้วยปัญญาอันชอ บ, บ, บคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เห็นความดับทุกข์และ มักมีองแปดหนทางแห่งความดับทุกข์นี่แหละเนตังโขอเอตังโขนะเขียเอแปลว่านี่คื อ, อเอตังโขสรณ ะ, ะเฉมังเอตังสรณมะมุตตมังเอตังสนะมะครมมาสัพพะทุขาปะมูจันตินี่แหละผู้ใดมากาพระพุทธเจ้า มาเอาพระผู้ได้จา้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสารณะเทพึ่งมาเห็นอริยมรรคอริยมรรคอ่าอันประเสริฐมีองค์สี่ได้แต่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคพวกนี้แหละมาถือเอานี้จึงจะพ้นทุกข์ภัยทั้งปวงเนี่ยําแปลมันทุกข์ทั้งปวงคืออะไรล่ะทุกข์อะไรล่ะภัยทั้งปวง อภัยอันอื่นไม่ไม่สําคัญเนะโจรภัยเพอกันได้อยู่รัวดีๆก็กันโจรได้โจรภัยอาชีภัยวาตรภัยอภัยอันทั้งหลายทั้งปวงคือไม่ได้ตัดใกล้ๆนีนะภัยทั้งหลายทั้งปวงได้แก่ภัยในวัฏสงสารคือความเกิด พนจากความเกิดความแก่ความตายเนี่ยนะพ้นจากภัยทั้งปวงให้พระกันเข้าใจไปกราบตูพุตตากราบสารพระภูมิตายไปแล้วเวลาจิตจะขาดใจจะขาดมันอยากจะไปกราบสารพระภูมินะความคิดไปตกลงตรงนั้นนะความคิดนี่แหละคืออารมณ์ อารมณ์นี่แหละคือพบของจิตอ่ะใจจะไปขาดคาอารมณ์นั่นอ่ะอารมณ์คือพบของจิตพบเปรียบเสมือนเนื้อนาอ่าตัวจิตของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชจิตของเราจะไปตกอยู่สารพ่ภูมิหรือไปตกออยู่ที่อารามล้างอะ จิตของเราก็ไปเกิดอยู่นั่นแหละที่เกิดไปเป็นผีเป็นสางไปเผ่าอารามลางไปเผ่าสารพรอภูมิอ่าท่านจึงไม่ให้ไปกราบไวไ้ไม่ใช่สาระที่พึ่งอันกระเสมไม่ใช่เที่พึ่งอันแท้จริงที่พึ่งอันแท้จริงคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อากันเข้าใจ เอาพึ่งพระพุตรเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พึ่งด้วยกายคือการกราบการไหว้กราบไ่ไม่ใช่ไปกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะกราบลงครั้งแรกก็พุทธโทน้อมเอาบุญพระคุณพระุทธทเจ้าเข้ามาไว้ที่ใจของเรากราบครั้งที่สองก็ทำโมน้อมเอาคุณพระธรรม มาสถิตไว้ที่ใจของเราลาบครั้งที่สามก็เรียกว่าธรรมโมเห็นสอนลูกสอนหลายนเนี่ยกาบหนึ่งกาบสองกาบสามทีนี่เปลี่ยนใหม่นะ <c ười> กราบพุทธโธกราบธรรมโมครั้งที่สองครั้งที่สามก็สังคอน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาไว้สถิตที่กิตที่ใจของเรา กิจของเราก็เป็นพุทธธรรมสงเป็นกิจที่เลิดเลอประเสริฐขึ้นมาปิดอบายภูมิได้เข้าใจไหมหลังฮะถึงด้วยกายถึงด้วยวาจาก็อย่างที่พาทรรมวัดสวดมนต์นี่แหละสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปโนนอ่าสวดและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง คุณของพระพุทธเจ้ามีห้าสิบหคุณพระธรรมมีสามสิบปดคุณพระสงฆ์มีสิบสี่รวมกันเป็นร0อยแปดเขาเรียกว่าอิติปิโสร้อยปดสวน ถ, ถึงด้วยวาจาส่วนมนตสาทยายน้อมและเล็กถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงจะเรียกว่ า, าสารณะที่พึ่งนะนที่พึ่ง อด บ, บายอภูมิได้สวดอนี้ได้บุญได้กุศลหลายนะพึ่งทางใจพึ่งทางใจซึ่งยังไงทีนั้นเมื่อทำวัดสวดมนต์แล้วก็เอามานั่งสมาธิภาวนาซึ่งด้วยใจถึงด้วยใจพอมานั่งสมาธิภาวนาก็จับเอารมหายใจอาณาปานสติ เอาสติจับเอารมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือเห็นว่าเข้าเรียกว่าเกิดออกเรียกก็ดับเนี่ยเข้าออกเข้าดับเข้าออกเข้าออกอยู่นี่เอาไปสติกับลมหายใจมาเสพกันไม่คาดเคลื่อนหนีออกจากกันก็เรียกว่าเรามาเสพกับพุทโธ พุโทโธคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจถ้าเอาจิตมาเสบอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าเรามาเสพบกับผู้รู้เสพบกับนักปราชญ์บัณฑิตเอาไปเอามาลมหายใจจานคายหายไปก็เหลือตั้งแต่ผู้รู้รู้รูู้นี่แหละบัณฑิตเอาใจ ห, หมายหลังนะนี่แหละบัณฑิต คือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจยังไม่เห็นตัวผู้รู้ก็เอาจิตไปเสียบกับลมไม่ก่อนอ่าเมื่อลมจางคายหายไปก็เห็นผู้รู้รู้เห็นจิตแท้ใจเดิมเราเป็นผู้รู้รู้ตายไม่เป็นนี่แหละตายไม่เป็นลักษณะหนึ่งมีความรู้แล้วก็จะมีความว่างสว่างพองใสเป็นธรรมชาติอยู่ ก็เรียกว่าธโมเนี่ยผู้รู้ว่าเป็นพุทโธทธ โ, ทโมก็คือสังโฆก็คือเรานี่เองทําไปทงไปเราจะเห็นพุทธธรรมสงภายในนี่แหละสรารนิสรารนังขะโตสรารนันอาทิพึ่งเข้าใจไหมไม่ใช่ไปกลับต้นไม้พูกเขาโรากาดอกสรารนังขตโต ตาบแล้วจะเห็นพุทธธรรมสง์ภายในเกิดขึ้นเห็นอนที่พึ่งภายในที่พึ่งเหล่านี้แหละกําจัดภัยได้จริงอพุทโธนี่เป็นผู้รู้รู้รูตายไม่เป็นนะกิตเทจะเดิมเราตายไม่เป็นนะส่วนที่เราไปเห็นมันเกิดมันตายมันเกิดเป็นดับมันกิจปลอมนะกิตสมุติไทัยนะนะ่ะ จิตแท้จะเดิน ม, มาลู้ว ล, ลู้แล้วจะเห็นอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรมรมธรรมที่ตายไม่เป็นนี่แหละไครอย่างอื่นเพราะหลบหลีกได้อย่ไฟไหม้ไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดส่วนมรณะภัย้าความตายมาใกล้จนตัวเราเราก็เอาจิตเราไป พึ่งอยู่กับผูดด้ตายไม่เป็นคือพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละสารนังขะโตเมื่อจิตไปพึ่งอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆกิตของเร า, เาจะจะปิดอบายภูมิเข้าสู่สวรรค์พร ม, มโลกหรือไม่ก็เข้าไปถึงม่ผ่านเนี่ย สารณน้าที่พึ่งอันประเสริฐไม่ได้อยู่ที่ไหนการทำบัตรสวดมนต์นี่แหละเมื่อเห็นพุทโธธรมโละไจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็ได้เห็นพุทโธธรมโสังโฆหรือเราได้สมถะก็ว่าจิตสงบเรียกว่าสมถะสมถะนะสมถะ ได้สมถะคือความสงบเกิดขึ้นเมื่อเราจิตพักสงบอิ่มตัวแล้วจิต ก, ก็จะออกจากสมาธิมานะ ส, สมาธิมานะเราก็เอาจิตนี่แหละไปเดินปัญญานะเดินปัญญาเดินปัญญา เดินปัญญาอ้าวนี่แหละจิตออกจากความสงบแล้วเราก็เดินปัญญาเรียกว่าวิปัสนาัวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งวิปัสนามันรู้ที่ไหนล่ะมารู้ที่ขันห้านี่แหละเราหลงขันห้า แล้วก็มาถอดลือกขันห้าออกมาเห็นขันห้าเกิดแล้วก็ดับนี่แหละวิปัสสนาไม่อยู่ที่อื่นรู้จะเกิดจะดับไหมหละ่ะเหรอขันห้ามันเกิดยังไงมันดับยังไงอมืมาพิจารณาดูกายเจ้าของเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือลูกภายในนี่แหละ ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นลนะูกเสียงเปินรถโพผพพะธรมมลมก็คือลูกภายนอกลูกภายนอกกับลูกภายในกระทบกันความรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่วิปัสสนาเห็นเกิดเห็นดับเห็นขั้นห้านี่เราคือขั้นห้าลูกภายนอกกระทบกับลูกภายในวิญญาณ เกิดลูกขึ้นมาเรียกว่านามลูกกับนามเกิดแล้วก็ดับเราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ก็ใช่ไหมล่ะเห็นทุกข์เท่นี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ไปยึดเอาก็เป็น เรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของของเราเราตาเห็นลูกก็ว่าเราเห็นหูเลยยินเสียงก็ว่าเราได้ยินกเกิดนี่แหละ<ม>เหตุเกิดแห่งทุกข์<ม>คือ<ม>ตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อมารู้แจ้งซึ่งขันห้าว่า มันเกิดมันดับอยู่เช่นนั้นเองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าง น, น, นั้นก็เรียกว่านิโรธเนี่ยไม่หินไม่อยู่ที่ไหนนิโรธคือดับทุกข์ความรู้สติปัญญาที่เอามารู้มาเห็นอันนี้ได้แก่เอามาจากอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเอามารู้ ขันห้าเกิดแล้วก็ดับมันเกิดมันดับก็เรียกว่าขันห้าไม่เที่ย ง, งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์นี่แหละผู้ใดมาถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งถึงโดยใจ น, นั่นแ่ะ เอาไปมามานั่งสมาธิเกิดเห็นพุทธธรรมสงภายในก็เห็นสาระที่พึ่งภายในเมื่อจะตายก็เอาจิตไปอยู่กับผู้ตายไม่เป็นต่อไปเราก็มาเห็นอริยสัจสี่เห็นทันห้าเป็นอนิจจังทุกขังนาจาไม่มีสาระแ่นสารอะไร ไม่ควรอย่ามาถือมันยึดมันว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่มีสาลายเกิดสันมันเกิดแล้วก็ดับเท่านี้อ่าแล้วก็ดับทุกภัยทั้งพวงได้คือดับความเกิดความแจ่ความตายได้ดับวัฏสงสารได้นั่นภัยทั้งพวงไม่ได้อยู่ที่อื่นคือคือ ความเกิดความแก่ความตายนี่นะแล้วก็ดับความเกิดความแก่ความตายได้อนี่แหละที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติให้เบื่อหน่ายคายความยินดีในความเกิดความแก่ความตายก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หรือเราเห็นอริยสัจสีก็ดับวัฏจักรสสารดับความเกิดแก่เก็บตายได้อา่านี่แหละคนเรานะมันงมมันง่ายมันหลงมันรู้ไม่จริงไม่มีที่พึ่ ง, งไปสร้างหาที่พึ่งให้เจ้าของไม่มีผัวก็หาผัวเข้ามาไม่มีเมียก็หามเมียมาเป็นที่พึ่ง ไม่มีก็สร้างบ้านสร้างเรือสร้างอะไรมามันพึ่งไม่ได้อันเนี้ยพึ่งได้ช่วยชีวิตลมให้ใจขาดแล้วไม่มีอะไรเอาไปได้สักอย่างเลยไม่เห็นเอาอะไรไปได้หรอกให้ค้นหาพระพธธุทธเจ้าว่าธรรมวสุสงซึ่งอยู่ในใจของอยู่ในลมให้ใจนี่เองเข้าใจไหมล่ะมันไม่อยู่ไกลนะอยู่ในลมให้ใจของเราเนี่ยพูดธรรมสง์ภายใน แล้วก็อริยสัจ ส, สี่ก็เห็นลมให้ยายเข้าหอกเห็นขั้นห้าเกิดดับก็เห็นทุกเท่านั้นเอาวันนี้ก็พูดให้ฟังพอให้รู้จักที่พึ่งอันแท้จริงคืออริยสัจ ส, สีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาดังได้แสดงมาก็สมควรเจรเวลาเอาละพอเวลามันน้อยวันนี้มันดึกแล้ว